และ ว, วันนี้ผมก็ขอนำเสนอนิทานเรื่องบุญคุณกับพรวิเศษบัดนี้ผมจะขอเริ่มเรื่องเลยนะครับนชายทะเลแห่งหนึ่งปรากฏร่างของชายหนุ่มผู้หนึ่งกาลังนั่งตกปลาอยู่ครับซึ่งการนั่งตกปลานี้ถือเป็นกิจวัตรประจาวันของเขาครับเพราะเขามีอาชีพเป็นชาวประมงเขามีที่พักอาศัยอยู่ใกล้ๆกับชายทะเลแห่งนั้นนั่นเองเป็นเพิงเล็กๆ เขาอยู่กันสองคนกับภรรยาของเขาครับก็มีชีวิตตามอัธภาพแบบพอมีพอกินโดยอาศัยทะเลแห่งนี้เป็นแหล่งธรรมมาหากินครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันเขาก็นั่งตกปลาแบบทุกวันที่ผ่านมาเช่นเคยแต่วันนี้ระหว่างที่เขาตกปลาอยู่นั้นสายเบ็ดของเขาก็โดนกระตุกอย่างแรงแล้วมันก็ตึงขึ้นเขาก็ตกใจรีบคว้าเบ็ดของเขาไว้พร้อมกับรั้งคันเบ็ดไว้แน่น เยือกันไปเยื่อกันมาอยู่สักพักเอ๊ะปลาอะไรเนี่ยแรงเยอะจริงๆท่าทางจะตัวใหญ่หน้าดูืมเราไม่ยอมละยังไงก็ต้องดึงขึ้นมาให้ได้เขาคิดพร้อมกันนั้นเขาก็ ไ, ได้พยายามดึงคันเบ็ดของเขาสุดแรงค่อยๆลากเข้ามาลากเข้ามาจนสุดท้ายเขาก็เยื่อปลาตัวนั้นขึ้นมาได้แต่เมื่อเยื่อขึ้นมาได้เขาก็ต้องตกใจกับปลาที่เขาเห็นเพราะว่าขนาดตัวของมันใหญ่มาก และเป็นปลาที่เขาไม่เคยเห็นเลยว่าเป็นชนิดไหนระหว่างที่เขากําลังดีใจและตะลึงงงงันอยู่นั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นว่าโอ้ยท่านชาวประมงท่านชาวประมงเดบโปรดปลอด่ปลอยฆ่าเถิดเขาหันไปมองรอบๆเอ๊ะเสียงใครกันมาคุยกับเราโอ้ยมันคือเสียงของข้าข้าเองข้าคือปลาที่ท่านจับได้นี่แหละท่านประมงผู้หล่อเหลาเดบโตรดปลอด่ปลอยฆ่าเถิด อันที่จริงแล้วข้าพเจ้าอไม่ใช่ปลาหรอกข้าพเจ้าเป็นเจ้าชายเจ้าชายผู้ห ล, อล่อเลลาเอาการแต่นั้นโดนสาบม่ให้มาเป็นปลานี่แหละเขาได้ยินและตกใจเล็กน้อยถอยมาหก้าวพร้อมกันนั้นก็ได้ถามปลาไปว่าโอ้แล้วเรามีสาเหตุอะไรที่จะต้องปล่อยเจ้าละ่ะหากท่านปล่อยข้าแล้วข้าก็จะตอบแทนท่านเป็นอย่างงามโดยการให้สัญญาว่าหากท่านเดือดร้อนเมื่อไรให้มาหาข้าที่ทะเลแห่งนี้ ข้าผมจะช่วยเหลือท่านเท่าที่ข้าจะช่วยได้ท่านจะตกลงไหมปล่อยข้าไปเถอะเนื้อข้ามันไม่อร่อยหรอกก็เพราะข้านะ่ะเป็นเจ้าชายไม่ใช่ปลาเจ้ปลาตัวโตล้ำพันธ์ให้ชาวประมงได้ฟังชาประมงก็นิ่งคิดครู่หนึ่งท่านก็คิดว่าเอเนื้อปลาตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงมันก็ตัวใหญ่น่ากลัวด้วยเอไม่เป็นไรหรอก เราควรจะปล่อยมันไปดีกว่าคิดได้อย่างนั้นจึงหันมาบอกกับเจ้าปลาตัวโต ว, ว่าเอาละ่ะเราตัดสินใจแล้วเราจะปล่อยเจ้าตามที่เจ้าได้ร้องขออืมขอให้เจ้าโชคดีแล้วกันเจ้าปลารู้สึกดีใจมากกล่าวขอบคุณเป็นการใหญ่หลังจากที่ชาวประมงได้แกะเบ็ดออกจากปากแล้วก็จึงได้ปล่อยมันกลับคืนสู่น้ําทะเลต่อไปสรุปเย็นวันนั้นชาวประมงจึงได้กลับบ้านไปพร้อมกับเบ็ดที่ว่างเปล่า โดยไม่ได้ปลาสักตัวกลับบ้านไปเลยเมื่อกลับไปถึงบ้านชาประมงก็พบกับภรรยาของเขาและก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ภรรยาของเขาฟังเมื่อภรรยาของเขาได้ฟังก็รู้สึกอึง้งไปนิดหนึ่งแล้วก็กล่าวว่าพี่ที่พี่เล่าให้ฟังอะ่ะปลาตัวโตตัวนั้นอะ่ะเป็นเจ้าชายเหรอถ้าเป็นเจ้าชายอะ่ะ งั้นเขาน่าจะมีพลังวิเศษพอที่จะช่วยเหลือเราให้รอดพ้นจากความยากจนนี้ไปได้นะข้าคิดว่ า, างั้นนะ่ะท่านพี่ข้าคิดว่าท่านควรจะย้อนไปหาเขาและขอพรเขาสักหนึ่งข้อนะชายประมงได้ฟังภรยากล่าวเช่นนั้นก็บอกกับภรรยาว่าที่รักที่เราอยู่งี้มันก็โอเคอยู่นะไม่เห็นมีอะไรจะเดือดร้อนเลยภรยาได้ฟังก็บอกว่าอะไรกันท่านพี่ท่านจะให้ข้าอาศัยอยู่แต่ได้เพิ่เล็กๆงี้เหรอ กลับไปเดี๋ยวนี้ท่านจงกลับไปขอกระท่อมให้ข้าอยู่ซะไม่อย่างนั้นเราเห็นดีกันแน่รีบกลับไปเลยปะไปเรียกปลามาให้เขาตอบแทนบุญคุณเราซะด้วยความจำใจบุรุษหนุ่มชาวประมงจึงต้องเดินทางไปที่ชายทะเลตามที่ภรรยาเขาสั่งเมื่อไปถึงเขาก็ระพึงนำพันว่าโอ้ข้ามีภรรยาที่น่าเบื่อเสียจริงข้ามีภรรยาที่น่าเบื่อเสียจริง ต้องการในสิ่งที่ข้าไม่ต้องการสักพักน้นทะเล ก, ก็แวกเป็นคลื่นใช่แล้วครับเจ้าปลาตัวใหญ่กำลังว่ายเข้ามาเมื่อว่ายเข้ามาแล้วก็พร้อมกับถามว่าอ้าวว่ายังไงล่ะท่านเธอต้องการอะไรล่ะภรรยาของท่านน่ะเธอบอกให้ข้าบัทวงบุญคุณเจ้าชายหนุ่มกล่าวเจ้าปลาเลยถามว่าก็ตอบมสิว่าเธอต้องการอะไรล่ะท่าน ชายหนุ่มจึงบอกว่าเธอบอกว่าเธอต้องการกระท่อมอ่ะเออข้าเกรงใจเจ้าจริงๆจบปลาได้ฟังก็บอกว่าขอเชิญท่านกลับไปเลยตอนนี้เธอกาลังนั่งอยู่ในกระท่อมจบปลากล่าวจบพร้อมกันก็ได้ดำน้าลงหายไปชาประมงรีบเดินทางกลับบ้านทันทีพร้อมกับที่คิดระหว่างทางว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไร แต่เมื่อกลับไปถึงเพิงที่พักของเขาไม่น่าเชื่อเพิงที่พักของเขาไม่มีอีกแล้วสิ่งที่เขาเห็นคือกระท่อมขนาดกาลังยบย่อมน่าอยู่น่าพักอาศัยและก็พร้อมกันนั้นก็เห็นภรยาของเขานั่งรออยู่ที่เก้าอี้ยาวหน้ากระท่อมนั้นเองเมื่อภรยาของเขาเห็นเขากาลังเดินกลับเข้าไปจึงได้วิ่งมาและพูดว่าท่านพี่ท่านพี่ข้าดีใจจังเลยอ่ะนี่ไงกระท่อมที่ข้าอยากได้ ข้างในหรือก็มีเฟอร์นิเจอร์ครบเลยมีข้าวของไว้ใช้มีเตารีดมีเครื่องครัวโต๊ะอาหารหลังบ้านยังมีที่ให้เลี้ยงสัตว์อีกมีทั้งเป็ดทั้งไก่พืชพันธุ์เต็มไปหมดเลยถูกใจข้าจังเลยข้าชอบจังเลยท่านพี่ขอบคุณท่านมากนะชาบประมงเองก็ดีใจไปไม่น้อยกว่าภรรยายของเขาพร้อมกับอกว่าดีสินะถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปได้ตลอดไปก็รู้สึกดีมากเลยข้าดีใจจริงๆเลย ฝ่ายภรรยาของเขาก็แอ บ, บสะบัดมานิดหนึ่งว่าอืมแต่ข้าว่ามันขาดอะไรไปนิดหนึ่งนะหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมาประมาณหนึ่งเดือนก็จะมีการค้าขายมีเป็ดมีไก่แทนที่จะทําประมงอย่างเดียวแล้วเช้าวันหนึ่งภรรยาของเขาก็พูดกับชาวประมงว่าท่านพี่ท่านพี่ข้าว่ากระท่อมหลังเนี้ยข้าว่ามันเล็กไปนะมันคับแคบอ่ะ รู้สึกอยู่แล้วประดัษฐ์อาจยังไงไม่รู้สิชายประมงก็ได้แต่มองหน้าด้วยความงงภรรยาจึงพูดต่อไปว่าข้าว่าข้าอยากอยู่ปราสาทเถิท่านพี่ท่านพี่ช่วยไปหาปลาตัวนั้นน่ะและก็ขอให้กระทบเนี้ยกลายเป็นปราสาทได้ปะข้าว่านะเขาทำได้แน่เลยท่านจงไปทะเลและไปขอปลาตัวนั้นสตอย่าลืมนะว่า เขาเสกกระท่อมให้เราได้เขาต้องเสกประสาทให้เราได้แน่ๆเลยท่านจงรีบไปสเสด็วนี้เรามีบุญคุณกับเขานะชาวประมงจึงหันมาบอกว่าโอ้ที่รักคะที่รักทำไมเธอคิดอะไรอย่างงี้เน่แค่นี้เราก็อยู่กันแบบพอมีพอเพียงแล้วนะจะอะไรกันนักหนาเนี่ยแค่นี้ข้ารู้สึกเกรงใจเจ้าปลา ต, ต, ตัวตัวตัวนั้นมากแล้วนะเนี่ยภรรยาได้ฟังก็บอกว่า จงรีไปเลยท่านพี่จงรีไปก่อนที่จะมีเรื่องกับข้ารีบไปเลยนะไม่งั้นเห็นดีกันล่ะชาวประมุงจึงต้องจำใจเดินกลับไปพบปลาตัวโตที่ทะเลอีกครั้งและเมื่อไปถึงชายทะเลเขาก็ถอนหายใจพร้อมกับตะโกนไปว่าโอ้ยข้าเบื่อภรรยาของข้าเหลือเกินข้าเบื่อภรรยาของข้าเหลือเกินนางปรารถนาแต่สิ่งที่ข้าไม่อยากได้สักพัก เหมือนครั้งแรกน้ำทะเลก็แวกเป็นคลื่นเจ้าปลาตัวโตกำลังว่ายเข้ามาหาเขาอีกเหมือนเดิมพร้อมกับพูดว่าอาวังไงท่านมีอะไรค่ารับใช้อีกหรือคราวนี้ภรรยาท่านต้องการอะไรละ่ชระชาปมุงก็ตอบว่าก็นางสินางบอกว่าเบื่อกระท่อมหลังเล็กๆแล้วอยากได้ประสาทใหญ่ๆอะ่ะ ข้ากเกรงใจเจ้าจริงๆเลยขอท่านอย่าได้กลุ่มใจเลยจงกลับไปหาภรรยาของท่านเถิดและท่านจะได้สมดังหวังผู้จบเจ้าปลาตัวโตก็มุดน้ําหายไปทันทีเหมือนเดิมชาวประมงไม่รอช้ารีบเดินจําอ้าวกลับไปที่กระท่อมแต่ปรากฏว่าเมื่อไปถึงหน้ากระท่อมกระท่อมหลังนั้นไม่มีอีกแล้วกลับกลายเป็นมหาปราสาทขนาดใหญ่ตั้งตรงงานยังไม่ทันที่เขาจะหายอึง้ง เขาก็ได้ยินเสียงของภรรยาของเขาท่านพี่ท่านพี่ข้าดีใจเหลือเกินเราได้อยู่ในปราสาทกันแล้วป่ะไปดูข้างในเถอะพร้อมกันนั้นเธอก็ได้มาจุงมือของเขาเดินเข้าไปในปราสาทเมื่อเดินไปถึงภายในปราสาทแล้วภายในเป็นห้องโถงใหญ่หน้าวิจิตตะการตายิ่งนักมีทั้งเก้าอี้ทองคโาโคมไฟคริสตัลพร้อมกับเหล่าคนรับใช้ยืนเป็นแถวรอคอยการรับใช้อยู่ บนโต๊ะอาหารก็เต็มไปด้วยอาหารอันน่ากินน่าอาเรเด็ดอร่อยปราสาสตหลังนี้มีหน้าต่างที่ใหญ่แสงจากภายนอกส่องเข้ามาทําให้เห็นภายในตัวปราสาทเป็นที่งดงามต่อดวงตายิ่งนักภายนอกปราสาสตก็มีฝูงมา้ามีสวนดอกไม้มองให้เห็นวิวทิวทัศน์อันแสนจะสวยงามภรรยาของชาวประมงได้แต่รำพันว่าถูกใจแค่ที่สุดถูกใจแค่ที่สุด ข้ารู้สึกดีมากเลยที่ได้อยู่ในปร า, าสาทหลังนี้ชาวประมงได้ยินก็พูดว่าฮ่าฮ่าข้าก็รู้สึกดี เ, เช่นชาเหมือนกันทีนี้แหละเราก็คงจะเพียงพอแล้วแหละถ้าอยู่ได้ไปอย่างนี้ไปตลอดช่วยชีวิตก็ดีสินะหลังจากนั้นเขาทั้งคู่ก็ได้อยู่ในปร า, าสาทหลังนั้นอยู่ไปด้วยความปกติสุขแบบมีความสุขพ้นไปประมาณหนึ่งเดือนภรรยาของเขา ก็พูดกับเขาอีกว่าที่รักที่รักข้าว่ามันขาดอะไรไปอย่างหนึงอะ่ะชายชาประมงจึงบอกว่าเอา้าแล้วไม่ขาดอะไรล่ะฮึนี่เราก็อยู่ในปราสาทอันแสนยิ่งใหญ่แล้วนะสบายกว่าชาวบ้านเหนือนตั้งเยอะไม่เอาอ่ะข้าว่ามันขาดไปนิดนึงข้าอยากข้าอยากเป็นราชาผู้ของแขวนน่ะได้ไหมข้าอยากเป็นพระราชา ท่านได้ยินไหมชาวประมงหันมองหน้าภรยาแล้วบอกว่าอะไรกรันอะไรกรันเจ้าเป็นผู้หญิงนะจะเป็นพระราชาได้ยังไงเป็นพระราชาไม่ได้ข้าก็เป็นราชินีนี่แหละท่านจงรีไปเลยนะจงรีไปหาปลาตันั้นและบอกให้เขาเสกให้ข้าเป็นพระราชนีเดี๋ยวนี้เอาแล้วครับความโลภหยุดไม่อยู่แล้ะครับภรยาของชาวประมง ผู้ไม่มีความรู้จักพอก็ได้บังคับขู่เข็นใจให้ชาประมงต้องเดินทางไปที่ชายทะเลอีกครั้งจนได้และเมื่อไปถึงชายทะเลชาประมงก็รำพันบทเดิมเลยครับโอ้ยข้าเบื่อภรรยาของข้าเหลือเกินข้าเบื่อภรรยาของข้าเหลือเกินฉับพลันคลื่นก็แหวกอีกแล้วครับเจ้าปลาตัวโตพุ่งเข้ามาที่ชายฝั่งอีกแล้วพร้อมกับได้ถามแบบเดิมเลยว่า อะไรอีกครับท่านมีไรให้รับใช้อีกหรอครับท่านไหนครั้งนี้คืออะไรอ่ะนางต้องการอะไรไหนบอกข้าซิเจ้าปลาถามชาประมุงจรงตอบว่าก็นางอ่ะต้องการเป็นพระราชินีปกครองเมืองนี้น่ะสิอู้ข้าน่ยเหนื่อยใจเหลือเกินเจ้าปลาเอย้ยเจ้าปลาได้ฟังก็บอกว่าหึไม่ยากหรอกท่าน ท่านจงกลับไปที่ปราสาทของท่านและท่านก็จะสมหวังผู้จบเจ้าปลาก็ดำน้ำลงหายไปอีกเช่นเดิมชาวประมงจึงได้รีบกลับไปที่ปราสาทของเขาเมื่อกลับไปปรากฏถึงว่าปราสาทหลังเก่ากลับกลายเป็นปราสาทที่หลังใหญ่ขึ้นอลังการงานสร้างจริงๆพร้อมทั้งนั้นมีกองทหารเล็กๆประจำการอยู่หน้าประตูรั้ววังด้วย โอโ้อะไรมาจะลังการงานสร้างขนาดนี้เขาไม่รอช้าจึงเดินทางเข้าไปภายในวังทันทีเมื่อเข้าไปในวังเขาก็พบกับภรรยาของเขาเอ้ยไม่ใช่สิองค์ราชินีของเขาองค์ราชินีของเขาตอนนี้กำลังนั่งอยู่บนบันลังที่ทําด้วยทองคําฝังเพชรบันลังนั้นตั้งอยู่บนพื้นหินอ่อนห้องโถงดูใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมาก โคมไฟต่างๆโต๊ะอาหารทุกอย่างครองประดับต่างๆดูเร่หรู่อลังการมากขึ้นกว่าเดิมเป็นสิบเท่าราชนีของเขานั่งถือคทาที่ทำด้วยทองคำฝังด้วยอัญมณีซ้ายมือของเธอนั้นก็มีราชองครักษ์คอยรักษาการโอ้โหสุดยอดชาวประมงคิดในใจจากนั้นเขาจึงเดินไปหาภรรยาของเขาหรือวาราชนีของเขาและพูดว่า ที่รักทีนี้เธอคงจะสมใจแล้วนะเธอได้เป็นราชนีผู้ครองเมืองนี้แล่แหละคงไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้แล้่แหละพยาของเขานิ่งและไม่พูดอะไรได้แต่ยิ้มจากนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็ได้ชีวิตเยี่ยงราชาอยู่ในมหาปราสาทหลังนั้นจวบจนเวลาผ่านไปอีกประมาณหนึ่งเดือนเหมือนเดิมในระหว่างหนึ่งเดือนที่ผ่านมานั้น มหาราชินีผู้นี้ก็นอนไม่ค่อยหลับกระสับกระส่ายเนื่องจากไม่ค่อยมีอะไรจะทำสงสัยชีวิตจะสบายกว่าตอนที่เป็นชาวประมงเยอะมากได้แต่นอนพลิกไปพลิกมาชาวประมงผู้เป็นสามีก็ได้แต่หลับไม่รู้เรื่องรู้ราวราชินีก็ได้มามองตรงหน้าต่างมองเห็นพระจันทร์นอนไม่หลับก็มองพระจันทร์จบจนใกล้ๆจะรุ่งใกล้จะรุ่งรู้สึกง่วงทนไม่ไหวก็นอน เมื่อนอนแสงพระอาทิตย์ก็แยงตาหลอนอีกโอ้อะไรมนจะขนาดนี้หลอนรู้สึกรำคาญพระอาทิตย์กับพระจันทร์มากหลอนเลยมีความคิดว่าจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าเราสามารถสั่งพระอาทิตย์กับพระจันทร์ได้ไว่ายขึ้นให้ลงตอนไหนตามที่ใจเราคิดฮึม <c oughs> ชั ก, กลัวไปกันใหญ่ครับคันแล้วมาถึงเวลาเช้าราชนีจึงได้สั่งสามีว่า ท่านพี่ท่านพี่ท่านพี่จงไปหาปลาตัวโตวนั้นและบอกกับเขาว่าน้องเนี่ยอยากจะมีอำนาจสั่งพระอาทิตย์กับพระจันทร์ให้ขึ้นลงตอนไหนได้ให้เขาช่วยทำให้หน่อยได้ไหมท่านสามีได้ฟังก็บอกว่าโอ้โหทีรักสงสัยเธอจะเป็นไข้หรือเปล่าเนี่ยใครจะไปทำได้เรื่องอย่างนั้นนะ่ะ โอ้โหมีแต่พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นละมั้งที่จะทำได้ไม่รู้ล่ะภรยาบอกดังนั้นเมื่อต้านแรงคำสั่งของภรยาไม่ไหวชาวประมงผู้นั้นจึงได้เดินทางไปที่ชายทะเลพร้อมกับไปตะโกนเช่นเดิมว่าข้าเบื่อภรรยาของข้าเหลือเกินข้าเบื่อภรรยาของข้าเหลือเกินครั้งนี้คลื่นมาลูกใหญ่กว่าเดิม ปลาตัวนั้นว่ายมาด้วยความเร็วความแรงและมาถึงที่ชายหาดปลาตัวนั้นก็พูดด้วยน้ำเสียงอันเข้มว่ามีอะไรกระท่านข้าเห็นว่าท่านเนี่ยมาขอพรได้ข้าช่วยเนี่ยหลายครั้งหลายคราแล้วนะจะขออะไรหรือข้าว่าคือภรรยาของข้าเนี่ยขอให้มีอานาจสั่งพระอาทิตย์กับพระจันทร์ให้ขึ้นเวลาไหนก็ได้ เจ้าทำให้ได้ไหมเมื่อปลาได้ฟังเจ้าปลาก็ตอบด้วยน้ำเสียงอันเรียบและเย็นชาว่าข้าแต่ผู้มีพระคุณผู้ปล่อยชีวิตของข้าพรอนข้อต่างๆที่ท่านได้มาขอข้าพเจ้าก็จัดการให้ตามประสงค์ของท่านแล้วแต่จริงๆแล้วพรที่ข้าพเจ้าให้ท่านนั้นตัวท่านเองเป็นผู้ได้รับพร แต่ท่านไม่เคยใช้ท่านไม่เคยขอท่านกลับเอาพรไปมอบให้กับภรรยาของท่านผู้ไม่มีปัญญาเมื่อผู้ไม่มีปัญญาได้รับพลังอำนาจก็จะไม่สามารถใช้อำนาจให้เกิดประโยชน์ใดๆขึ้นมาได้และอีกอย่างภรรยาของท่านก็มีทั้งความโลภความไม่รู้จักพออันตัวเราไม่มีอำนาจถึงขนาดนั้นหรอกพรที่เราจะให้ได้ครั้งสุดท้ายนี้ จะเป็นพรที่มอบให้แด่ท่านจริงๆท่านจงตรองและใช้สติคิดดูเถิดว่าท่านจะขออะไรจากเราเมื่อชาวประมงได้ฟังคำจากปลาพูดก็ยืนคิดและทบทวนถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อครั้งที่เขาเจอปลาตัวนี้และขอพอรต่างๆที่ผ่านมาชีวิตเขาเคยอยู่ด้วยความพอดีพอเพียงสบายๆอยู่ที่เพิงหลังน้อย ทำอาชีพชาวประมงอยู่กินกับภรรยาอย่างมีความสุขด้วยดีตลอดมาจวบจนถึงวันที่เขาได้พบกับเจ้าปลาตัวตัวตัวนี้แล้วไปเล่าให้ภรรยาฟังเรื่องวุ่นวายมันจึงได้เกิดขึ้นไม่รู้จักจบเขาคิดได้แล้วเขาคิดได้แล้วจริงๆชาประมงจึงเอ่ยปากกับปลาว่าเราคิดได้แล้วเราจะขอพรเจ้าเป็นข้อสุดท้าย เราจะใช้ความเป็นผู้นำของเราและเราจะใช้สิทธิ์ของเราในการขอพรกับเจ้าเราขอพรว่าขอให้เรื่องราวต่างๆตั้งแต่เราพบเจ้าหรือแม้แต่การขอพรต่างๆการพูดคุยกับเจ้ามันไม่เคยเกิดขึ้นให้เราได้กลับไปพบกับภรรยาที่น่ารักของเราและเพลิงพักหลังเล็กของเราเหมือนเช่นเดิมจะได้หรือไม่ ปลาได้ฟังเช่นนั้นจึงตอบว่าข้าแต่ท่านผู้มีพระคุณนับว่าเป็นการขออัญชัญฉลาดของท่านยิ่งนักข้าจะมอบพรนี้ให้ท่านท่านจงสบายใจได้หลังจากที่ข้าพเจ้าให้พรแล้วท่านหลับตาและลืมตาขึ้นมาท่านจะลืมเรื่องต่างๆของเราที่เราเคยพูดคุยกันหรือพบกันแต่ข้าพเจ้า ก็จะมอบสมบัติให้ท่านติดตัวไว้นิดหนึ่งถือว่าเป็นการตอบแทนที่ครั้งหนึง่งท่าน เ, เคยช่วยไว้ชีวิตข้าพูดจบเจ้าปลาก็ดำลงน้ำอย่างรวดเร็วขณะที่พลิกตัวลงดำน้ำนั่นเองเจ้าปลาก็ได้สะบัดน้ำให้มาโดนกับใบหน้าของชายหนุ่มชาประมุงอย่างแรงเมื่อน้ำโดนใบหน้าแล้วชายหนุ่มชาประมงถึงกับล้มหงายลงไปและก็หมดสติไปในที่สุด ชายหนุ่มชาประมงลืมตาขึ้นมาอีกทีตาของเขาค่อยๆหลีขึ้นพร้อมกับงุนงงนิดหน่อยเอ๊ะเราเผลอหลับไปตอนไหนเนี่ยอืมอะไรกันเนี่ยนั่งตกปลาอยู่ดีๆหลับได้ยังไงเนี่ยเขาหันไปมองเบ็ดที่วางอยู่ข้างๆตัวเขาแล้วก็หยิบมันมาเพื่อรอให้มีปลามากินเหยื่อต่อไปสักพักสายคันเบ็ดของเขาก็เริ่ม รู้สึกว่ามีอะไรถุวงๆมาเกี่ยวกับเบ็ดของเขาเขาจึงได้ค่อยๆตวัดเบ็ดขึ้นมาดึงสายขึ้นมาแต่สิ่งที่ติดเบ็ดของเขาขึ้นมานั่นคือถุงผ้าเล็กๆหนึ่งถุงขนาดกำลังพอดีกำปั้นมือเขาจึงหยิบมาแกะดูว่าภายในถุงผ้านั้นมีอะไรปรากฏว่าข้างภายในถุงผ้านั้นมันมีทองคำทองคาประมาณสี่ห้าก้อน ซึ่งก็มากพอที่จะทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยสบายไปได้เลยแหละเขาดีใจมากรีบนําทองคําเดินทางกลับไปเพิงน้อยของเขาหาภรรยาอันสุดที่รักของเขาและก็เล่าให้ภรรยาขเขาฟังถึงความโชคดีของเขาที่ไปตกปลาแล้วเจอทองทั้งสองดีใจมากหลังจากนั้นไม่นานเพิงเล็กๆของเขาก็กลายเป็นกระท่อมเล็กๆขนาดกําลังน่ารักพออยู่พอกิน ชาวประมงก็ได้ไปซื้อเป็ดซื้อไก่มาเลี้ยงทำพืชผักสวนครัวเอาไว้กินเองพร้อมกับแบ่งขายใช้ชีวิตแบบพอเพียงเพียงแค่นี้ชีวิตก็มีความสุขมากแล้วเป็นไงบ้างครับที่ทานเรื่องนี้มันจะส่งให้เห็นว่าพลังอำนาจใดๆก็แล้วแต่หากผู้ที่มีไม่มีปัญญามีความสามารถที่จะควบคุมมันได้ไม่รู้ถึงคุณประโยชน์ของอานาจที่ได้มา ใช้ไม่เป็นหลงมัวเมาก็จะตกเป็นท่าของความโลภความไม่รู้จักพอดีจึงทำให้เป็นทุกข์ได้ทั้งตนเองและผู้อื่นสวัสดีครับ